Thank you. สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักในฐานะที่เราได้มีโอกาสเกิดมาในเมืองไทยซึ่งเป็นเมืองพุทธการได้บวชอยู่ที่วัดนั้นนับเป็นโอกาสอันดีของชีวิตทีเดียวค่ะเพราะเป็นการสร้างเหตุปัจจัยที่จะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะแก่การศึกษาและปฏิบัติธรรมซึ่งผู้ที่ตั้งใจและลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังก็จะมีโอกาสบรรลุถึงเป้าหมายสูงสุด ตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่ไม่ได้บวชจะหมดโอกาสในการบรรลุธรรมนะคะเพราะโอกาสนั้นยังคงเปิดกว้างอยู่เสมอสำหรับทุกคนที่มีความตั้งใจและลงมือประพฤติปฏิบัติตามหลักที่ถูกต้องอย่างจริงจังสม่ำเสมอดังคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาสพิคุ พระกรูบาอาจารย์ผู้เปี่ยมด้วยสติปัญญาที่ดิฉันจะนำเสนอในวันนี้ได้มาจากหนังสือที่มีชื่อว่าการบวชอยู่ที่บ้านเป็นหนังสือในชุดธรรมะสุขใจหนังสือดีหนึ่งในร้อยเล่มที่สำนักพิมพ์สุขภาพใจจัดทำขึ้นมาเพื่อถวายเป็นอาจารย์บูชาเนื่องในโอกาสที่จะครบรอบหนึ่งร้อยปีชาติการของท่านอาจารย์พุทธทาสพิขุ ในเดือนพฤษภาคม2549ที่จะถึงนี้ซึ่งธรรมะบรรยายดังกล่าวแทนได้บรรยายไว้ณาลานหินโคง้งสวนโมกขัพรารามเมื่อวันที่23มีนาคม2528ทุกท่านคงอยากจะทราบกันแล้วนะคะว่าการบวชอยู่ที่บ้านนี้เป็นไปได้จริงๆหรือและถ้าเป็นไปได้จริง เราจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรค่ะเรามาติดตามรับฟังคำแนะนำจากพระอาจารย์ท่านกันเลยนะคะ บ้านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายในวันนี้ไม่ได้กล่าวเจาะจงเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยละเอียดโดยเฉพาะแต่กล่าวในฐานะเป็นโครงของเรื่องเป็นเขาโครงของเรื่องส่วนรายละเอียดนั้นก็ไปหาศึกษาได้เองเพราะมันยังมีมากแต่จะมีหัวข้อบรรยายเฉพาะในวันนี้ว่า การปฏิบัติที่เป็นการบวชอยู่ที่บ้านหรือจะเรียกสั้นๆก็ว่าจะกล่าวเรื่องการบวชอยู่ที่บ้านฟังดูก็แปลกข้อนี้ก็มีเหตุผลที่จะกล่าวหมายความว่าบางคนมีความน้อยใจเสียใจว่าไม่ได้บวชเพราะว่าเป็นสตรีเพศบ้างหรือเพราะเหตุอย่างอื่นๆทำให้บวชไม่ได้ต้องอยู่ที่บ้านดังนี้บ้าง หรือแม้แต่พราบวชอย่างพรหมจารณนีการ9กวันส0บวันที่จัดกันขึ้นทั่ ว, วไปในระยะนี้ก็ไปบวชไม่ได้จึงขอเสนอวิธีบวชชนิดที่อยู่ที่บ้านเรียกว่าบวชอยู่ที่บ้านบางคนจะสงสัยว่าบวชทำไมอยู่ที่บ้านก็พอจะตอบได้ว่าเราทาอย่างเดียวกันในวัตถุประสงค์ที่มุ่งหมายของคำว่าบวชคือคาว่า ปัพชชาซึ่งแปลว่าบวชปักพชชานี้แปลตามตัวหนังสือก็ว่าไปหมดจากที่ควรไปเว้นหมดจากที่ควรเว้นก็คือเว้นหรือไปเสียจากการปฏิบัติหรือการเป็นอยู่ชนิดที่เป็นทุกข์สิ่งใดเป็นไปเพื่อความทุกข์เราจะเว้นเสียโดยเด็ดขาดไม่ทำในใจว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัด แต่ว่าโดยแท้จริงก็อยู่ที่บ้านแต่ไม่ต้องทำในใจว่าอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่วัดทำในใจแต่การประพฤติปฏิบัติให้ตรงตามความหมายนั้นเท่านั้นคือว่าไปหมดเว้นหมดจากสิ่งที่ควรเว้นควรไปในทุกๆระดับหรือแม้ว่าเราจะอาศัยคาอีกคำหนึ่งคือคำว่าพรหมจรรย์แปลว่าการประพฤติประเสริฐประพฤติอย่างพรหม ก็ไม่ได้จํากัดว่าที่บ้านหรือที่วัดถ้าประพฤติได้ก็ประพฤติอย่างจะถือศีลพรหมจรรย์อยู่ที่บ้านศีลแปศีลสิบ น, น, นั้นก็ยังถือได้คําว่าพรหมจรรย์ น, นั้นมีความหมายว่าการประพฤติอย่างเต็มที่หรือเคร่งครับติดต่อกันเป็นระยะยาวเป็นการปฏิบัติตลอดชีวิตอย่างนี้ก็ยังได้พูดกันง่ายๆว่า ประพฤติพรหมจรรย์ที่บ้านมันก็ยังทำได้ทีน่นี้เมื่อบุคคลบางคนไม่อาจจะออกไปบวชหรือว่าเป็นสตรีไม่อาจจะบวชเป็นภิกษุณีก็เสียใจหรือน้อยใจอย่างนี้ก็มีหรือด้วยเหตุผลอย่างอื่นออกไปบวชไม่ได้อย่างนี้ก็มีไม่ต้องเสียใจไม่ต้องน้อยใจพยายามประพฤติปฏิบัติในธรรมะซึ่งเป็นการปฏิบัติให้ดีที่สุด ให้สูงที่สุดตามที่จะทำได้ก็จะเป็นการบวชอยู่ที่บ้านเรียกว่าบวชอยู่ที่บ้านฟังดูให้ดีๆเพราะบวชนั้นคือการเว้นเสียจากสิ่งที่ควรเว้นพรหมจรรย์นั้นหมายถึงการประพฤติข้อธรรมอย่างจริงจังเคร่งครัดแมในเรื่องเล็กๆน้อยๆถ้าทำอย่างเคร่งครัดติดต่อกันจนตลอดชีวิตก็เรียกว่าพรหมจรรย์ได้เหมือนกัน เดี๋ยวนี้เราจะถือหลักปฏิบัติตามที่มีอยู่อย่างไรในพระพุทธศาสนานั้นเอามาถือไว้เป็นหลักปฏิบัติ mm. ก็จะทําให้เกิดผลอย่างเดียวกันกับพวกที่บวชออกไปอยู่ที่วัดหรือไปอยู่ในป่าและในบางกรณีบวชอยู่ที่บ้านจะทําได้ดีกว่าบางคนหรือบางพวกที่ไปบวชเวหลวไหลอยู่ที่วัดหรือแม้อยู่ในป่าด้วยเหตุนี้แหละพอที่จะกล่าวได้ว่า เรื่องสถานที่นั้นก็ไม่ได้สําคัญเด็ดขาดอะไรนักมันสําคัญหรือเด็ดขาดอยู่ที่การประพฤติกระทํำมากกว่าซึ่งขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีๆว่าบวชอยู่ที่บ้านนั้นจะบวชกันได้อย่างไรการบวชอยู่ที่บ้านนั้นก็ต้องอาศัยหลักธรรมะที่เป็นเนื้อแท้หรือเป็นตัวแท้ของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่เป็นหลักชัดเจนตายตัว ในที่นี้จะเลือกเอามาสักหมวดหนึ่งสำหรับยึดเป็นหลักปฏิบตัติคือหมวดธรรมที่มีชื่อว่าอินทรีทั้ง5อินทรีทั้ง5คือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาห้อย่างนี้แต่และอย่างเรียกว่าอินทรีคำว่าอินทรีแปลว่าสำคัญตัวการสำคัญ หลักสําคัญหัวข้อสําคัญธรรมะทั้ง5้าข้อนี้จะมีอยู่ในการปฏิบัติทั่วไปจะทําสมาธิหรือจเจริญภาวนาอย่างไรก็ต้องทําให้มีอินทรีย์ครบทั้ง5ขอให้ฟังให้ดีว่าจะปฏิบัติธรรมะพวกไหนก็ตามจะต้องปฏิบัติให้มีอินทรีย์ในคําเหล่านั้นครบทั้ง5ที่เรียกว่า5 5นี้ก็คือ ศรัทธาเวริยะสติสมาธิปัญญาดังที่กล่าวมาแล้วข้อแรกคือศรัทธาแปลว่าความเชื่อบวชอยู่ที่บ้านก็มีความเชื่อในธรรมะนั้นๆถึงที่สุดเชื่อในอะไรถ้าถามว่าเชื่อในอะไรก็คือเชื่อในธรรมที่เป็นเครื่องดับทุกข์ที่รู้กันทั่วไปก็เช่นศีลสมาธิปัญญา หรืออริยอัตถังคิกามัคมีองค์แนี้เป็นธรรมที่ดับทุกข์เราได้ศึกษาแล้วเห็นแล้วมีความเชื่อว่าธรรมเหล่านี้ดับทุกข์ได้จริงหรือว่าธรรมเหล่านี้เป็นที่พึ่งได้จริงให้เชื่อลงไปเสียทีหนึ่งก่อนแล้วก็เชื่ออีกทีหนึ่งคือเชื่อตัวเองว่าตัวเองนี่สามารถที่จะปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นในเนื้อในตัวของตน มีความถูกต้องเหมาะสมที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นนี่ก็เป็นอีกเชื่อหนึ่งรวมกันเป็นสองเชื่อเชื่อในสิ่งที่จะประพฤติปฏิบัติว่าดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อว่าตัวเองมีคุณธรรมที่จะดับทุกข์เหล่านั้นได้อย่างเพียงพอนี่มีศรัทธายอย่างนี้แล้วก็อยู่ที่บ้านบวชอยู่ที่บ้านมันก็พอที่จะทาให้เกิดอำนาจ เกิดกำลังในการที่จะปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นคือศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นหลักทั่วไปเช่นว่ารับศีลเอาไปไปถือที่บ้านก็ต้องทำให้เป็นศีลของบุคคลผู้มีศรัทธาอย่างแน่นแฟน้แนแน่วแน่โดยเชื่อว่าศีล น, นั้นเป็นเครื่องดับทุกข์ได้แล้วก็เชื่อว่าตัวเองสามารถรักษาศีลได้ ให้มีความเชื่ออย่างนี้เถิดก็จะเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็มีอาการเหมือนกับว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์อย่างยิ่งมีความหนักแน่นจริงจังเคล่งคลัดในการปฏิบัตินั้นๆทีนี้ก็ปล่อยให้ศรัทธานั้นแหละดำเนินไปตามที่ควรจะมีในแต่ละวันแต่ละวันอํานาจของศรัทธาทำให้มีการประพฤติจริงทาจริงถึงที่สุด เราก็มีกำลังใจที่เกิดมาแต่ศรัทธานั้นมากมายประพฤติปฏิบัติได้เต็มที่เดี๋ยวนี้คนมีศรัทธากันแต่ปากมีศรัทธากันแต่ผิวผิวแต่หาได้มีศรัทธาตัวจริงแท้จริงตามที่กล่าวมานี้ไม่คือไม่ได้เชื่อแม้ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์โดยแท้จริงแล้วก็ไม่ได้เชื่อว่า ตัวเองจะสามารถประพฤติปฏิบัติได้ตามคำสอนเหล่านั้นมาจัดการกันเสียใหม่มาชำระสาสารกันเสียใหม่อยู่ที่บ้านแต่ให้มีศรัทธาเต็มเปี่ยมทั้งสองประการคือมีศรัทธาในธรรมะที่จะประพฤติว่าดับทุกข์ได้จริงและมีศรัทธาในตัวเองตัวเองนั่นแหละว่าสามารถที่จะปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นได้รวมกาลังกันเป็นสองฝ่ายอย่างนี้แล้ว ก็เป็นศรัทธาที่สมบูรณ์อยู่ที่บ้านก็มีลักษณะอาการเหมือนบวชอยู่ที่บ้านทีนี้ข้อที่สองมีวิริยะวิริยะแปลว่าความเพียรหรือความกล้าหาญบวกกันทั้งความเพียรและความกล้าหาญเข้าด้วยกันก็เรียกว่าวิริยะยิ่งมีศรัทธานในธรรมะหรือในตัวเองมาก่อนแล้ว วิริยะก็จะเข้มแข็งถึงที่สุดอาศัยอำนาจของศรัทธานั้นเป็นพื้นฐานกระทําอย่างกล้าหาญอย่างภาคเพียรในสิ่งที่ควรจะทําทุกเรื่องไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับโลกหรือเกี่ยวกับเหนือโลกเรื่องที่เราจะต้องทําถ้ากล่าวกันแต่ใจความสรุปสั้นๆแล้วก็จะมีอยู่สี่ประการด้วยกันคือมีความภาคเพียรกล้าหาญในการที่จะป้องกัน ภาคเพียงกล้าหาในการที่จะสละภาคเพียงกล้าหาในการที่จะสร้างสรรค์และภาคเพียงกล้าหาในการที่จะรักษาคำสี่คานี้มีความหมายคลุมหมดในหน้าที่ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรป้องกันสละสร้างและรักษา 1. ป้องกันคือ ป้องกันไม่ให้สิ่งที่ไม่ควรจะเกิดจะมีนั้นเกิดมีขึ้นมาเช่นศั ต, ตรูอย่างนี้เราต้องใช้การป้องกันไม่ให้เกิดไม่ให้มีขึ้นมากิเลสเป็นศั ต, ตรูร้ายกาจ ก, กว่าอะไรหมดก็มีการป้องกันอยู่อย่างถูกต้องเราว่าป้องกันค่าสึก อ, อันใหญ่หลวงไม่ให้เกิดขึ้นได้แล้วก็อันที่สองสละสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว ถ้าสิ่งที่ไม่พึงปรารถนานั้นได้เกิดขึ้นเสียแล้วก็ต้องภาคเพียรเข้มแข็งกล้าหาญในการที่จะสละมันออกไปเสียทีนี้ก็มาถึงส่วนที่3ต้องสร้างสรรค์ได้แก่สิ่งที่ยังไม่มีความดีความงามกุศล ส, สุจริตทุกอย่างทุกประการที่ควรจะมีในตนที่มันยังไม่เคยมีก็ต้องสร้างให้มีขึ้นมา ด้วยอาศัยความเชื่อในสิ่งนั้นๆและเชื่อตัวเองว่าจะปฏิบัติได้ดังที่กล่าวมาแล้วในข้อศรัทธาก็สามารถจะสร้างสิ่งที่ยังไม่มีในตนความดีหรือกุศลที่ยังไม่มีในตนให้เกิดมีขึ้นมาในตนให้จนได้นี้เรียกว่าในทางสร้างสารรค์ทีนี้ 4. ข้อสุดท้ายที่สร้างสารรค์ขึ้นมาได้เท่าไรเพียงไร ต้องมีการรักษามีการรักษาหรือจะถึงกับพัฒนาให้เจริญงอกงามยิ่ ง, งขึ้นไปเป็นหน้าที่สุดท้ายคือรักษาเหมือนกับว่าหาเงินมาได้มันก็ต้องรักษาให้อยู่ในสภาพที่ถูกต้องให้ใช้ใจ่ายในลักษณะที่ถูกต้องให้มีอยู่อย่างถูกต้องเราอยู่ที่เรือนปวดอยู่ที่เรือนแต่มีวิริยะความภาคเพียนหรือกล้าหาญถึงที่สุด ในการที่จะป้องกันไม่ให้ความชั่วร้ายอากุศลบาปใดเกิดขึ้นในตนป้องกันได้เต็มที่แล้วถ้ามีบาปมีอกุศลที่ได้เกิดขึ้นโดยพลังพล้งเผลอก็ลับไปเสียอย่างเต็มที่เราก็สร้างที่มันยังไม่เกิดบุญกุศลความดีที่ยังไม่เกิดก็สร้างให้เกิดทําให้เกิดขึ้นมาครั้นเกิดขึ้นได้แล้วก็รักษาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไป นี้เรียกว่ามีวิริยะอยู่ที่บ้านที่เรือนโดยมากไม่สนใจที่จะทําให้จริงคือปล่อยไปตามบุญตามกรรมแต่เดี๋ยวนี้เราต้องการจะเป็นผู้บวชจะเป็นนักบวชอยู่ที่บ้านก็จะต้องตั้งใจเป็นพิเศษในฐานะที่ว่าเป็นนักบวชแม้ว่าจะอยู่ที่บ้านมีความระมัดระวังให้เกิดความถูกต้องในการที่จะป้องกันหรือสละ หรือสร้างหรือรักษาดังที่กล่าวแล้วทีนี้ข้อถัดไปก็คือมีสติสิ่งที่เรียกว่าสตินี้เป็นธรรมะพิเศษเป็นธรรมะจำเป็นสำคัญที่จะต้องใช้ในทุกกรณีช่วยจำข้อความนี้ไว้ให้ดีๆว่าธรรมะที่จะต้องใช้ในทุกกรณีไม่ว่าที่ไหนอย่างไรได้แก่สติ ทุกเรื่องมันต้องทำไปหรือเป็นไปในความควบคุมของสติถ้าไม่มีสติมันก็ทำอะไรไม่ได้แม้แต่จะลุกขึ้นยืนจะเดินไปมันก็ทำไม่ได้มันก็หกล้มหกลุกส่วนเซไปแม้แต่จะรับประทานอาหารถ้ามันไม่มีสติเดี๋ยวมันก็ป้อนอาหารเข้าจมูกไปหรือว่าถ้าไม่มีสติมันก็จะกินอาหารอย่างตากะกะอย่างที่เป็นกิเลส ไปคิ ด, ดัวเองก็แล้วกันว่าเรื่องอะไรทุกเรื่องที่อยู่ที่บ้านที่เรือนนับตั้งแต่ว่าจะทํางานชั้นหยาบตักน้ําผ่าฟืน ล, ล้างหม้อล้างไห่ก็ต้องทําไปด้วยความรู้สึกที่เรียกว่าสติถ้าไม่เป็นเรื่องของกิเลสแล้วก็จะต้องระมัดระวังยิ่งขึ้นดังนั้นจึงมีหลักในชั้นสูงว่ามีสติในทุกผัสสะมีสติทุกภัสสะ สิ่งที่เรียกว่าผัสสะนี้เข้าใจว่าคงจะเป็นที่เข้าใจกันอยู่แล้วเขาพูดสรุปอีกทีหนึ่งก็ว่าเราคนเรานี่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอย่างที่จะกระทบกันเข้ากับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพพะธรมารมที่อยู่ข้างนอกที่เป็นคู่กระทบ เรียกว่ามัมีคู่ติดต่อหรือคู่กระทบตาเป็นคู่กับรูปหูเป็นคู่กับเสียงจมูกเป็นคู่กับกลิ่นลิ้นเป็นคู่กับรสผิวหนังเป็นคู่กับผลถั่าที่จะมากระทบผิวหนังนี้เป็นฝ่ายกายเป็นฝ่ายรูปธรรมคู่สุดท้ายเป็นฝ่ายนามธรรมคือใจที่จะรู้สึกกระทบต่อความรู้สึกคิดนึกของใจ ที่เรียกว่าธรมารมใจนี้เป็นคู่กับธรมารมจะต้องพบกันอยู่เสมอคือมันคิดนึกรู้สึกได้จะใสยความจำแต่หนหลังที่จำอะไรอะไรไว้ได้มากสิ่งเหล่านั้นก็จะมากลายเป็นสิ่งสำหรับคิดนึกรู้สึกขึ้นมาแล้วก็กระทบใจนี้ก็เรียกว่ามีคู่กระทบตาก็มีสิ่งสำหรับกระทบคือรูป หูก็มีสิ่งสำหรับกระทบคือเสียงจมูกก็มีคู่กระทบคือกลิ่นลิ้นมีคู่กระทบคือรสผิวกายก็มีคู่กระทบคือผลทัพะใจก็มีคู่กระทบคือธรรมารมเป็นสิ่งที่อยู่กับเนื้อกับตัวหรือเป็นเนื้อเป็นตัวของตนอยู่แท้ๆแต่แล้วคนก็ไม่รู้จักนี่พิจารณาดูกันถึงข้อนี้ก่อนถือว่า มันเป็นเนื้อเป็นตัวของตัวอยู่กับตัวแท้ๆแต่คนก็ไม่รู้สึกไม่รู้จักว่ามันมีอยู่อย่างไรในฐานะอย่างไรถ้าจะศึกษาธรรมะให้เป็นธรรมะกันจริงๆแล้วจะต้องรู้จักสิ่งสำคัญหกคู่นี้ให้แจ่มแจ้งชัดเจนแน่นอนรู้กันให้ทั่วถึงเกี่ยวกับเรื่องทั้งหกคู่นี้เพราะว่าอะไรอะไรมันก็สาเร็จมาจากอายตนะหกคู่นี้หรือว่าโลก โลกทั้งโลกมันจะมีปรากฏอยู่ได้ก็เพราะว่าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็คือไม่มีอะไรมันก็คือไม่มีโลกไม่มีอะไรทุกสิ่งทุกอย่างจงรู้จักสิ่งที่เรามีสำหรับทำให้สิ่งต่างๆมี และเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาก็เพราะสิ่งทั้งหกนี้สิ่งทั้งหกนี้จึงอยู่ในฐานะสำคัญว่าถ้าจัดการกับมันถูกก็ดีไปถ้าจัดการกับมันผิดก็เป็นเรื่องร้ายเหลือที่จะร้ายไม่มีอะไรจะร้ายยิ่งไปกว่านี้จึงขอชักชวนวิงวอนท่านทั้งหลายว่าจงรู้จักสิ่งทั้งหคู่นี้ให้ดีที่สุดในฐานะที่มันมีอยู่ในตัวเรา หรือมันเป็นตัวเราอยู่นั่นเองแล้วก็มีสติเมื่อสิ่งนี้ทำหน้าที่มีสติเมื่อตาทำหน้าที่เห็นรูปมีสติเมื่อหูทำหน้าที่ได้ยินเสียงมีสติเมื่อจมูกทำหน้าที่ดมกลิ่นมีสติในเมื่อลิ้นทำหน้าที่รู้รสมีสติเมื่อผิวหนังทำหน้าที่กระทบกับสิ่งที่มากระทบผิวหนังและ มีสติเมื่อใจทำหน้าที่กระทบกันเข้ากับธรรมารมคือความรู้สึกคิดนึกให้รู้โดยประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างไรแล้วมันมีการกระทําสืบต่อต่อไปอย่างไรซึ่งก็ควรจะทราบไว้ด้วยเหมือนกันยกตัวอย่างคู่แรกคือตากับรูปพอตากับรูป ก, กระทบกันมันก็เกิดวิญญาณทางตาคือการเห็นแจ้งทางตาขึ้นมา นี่เรียกว่าวิญญาณทางตาตากับรูปที่มากระทบและวิญญาณทางตามีอยู่พร้อมกันสามอย่างนี้ในหน้าที่เดียวกันนั่นแหละเรียกว่าผัสสะไม่ใช่เพียงแต่ตากระทบรูปนั้นมันพูดหยาบๆเกินไปพูดตามพระบาเรที่ชัดเจนแล้วจะต้องมีสามเสมอคือมีอายตนะภายในอายตนะภายนอกและ วิญญาณที่เกิดออกมาจากอายตนะนั้นๆเหมือนอย่างในทางตาดังที่กล่าวแล้วพอตาเห็นรูปกระทบกับรูปก็เกิดการเห็นทางตาคือจักูุวิญญาณเลยได้เป็นสามอย่างคือตาอย่างหนึง่งรูปอย่างหนึง่งจักูุวิญญาณอย่างหนึง่งจักูุวิญญาณทําหน้าที่สัมผัสรูปทางตานี่เรียกว่าจากักษุสัมผัส การสัมผัสทางหูทางจมกูกทางลิ้นก็เหมือนกันแหละมันมีอยู่สามอย่างอย่างนี้ทําหน้าที่รู้สึกอยู่ก็เรียกว่าผัสสะทีนี้ผัสสะมีแล้วเช่นผัสสะทางตามีแล้วมันก็จะเกิดเวทนาคือความรู้สึกที่พอใจหรือไม่พอใจหรือเฉยเฉยเป็นเวทนาสามอย่างขึ้นมาเรียกว่าเวทนาที่เกิดมาจากการสัมผัสโดยทางตา นี่เวทนาเกิดแล้วมันไม่หยุดอยู่เพียงนั้นมันให้เกิดอันอื่นต่อไปอีกถ้าในขณะสัมผัสนั้นเราเป็นคนโง่คือไม่มีสติหรือไม่มีปัญญาใดๆในขณะที่สัมผัสต่างๆนั้นมันก็เป็นสัมผัสโง่มันก็ออกมาเป็นเวทนาโงา่ที่ไม่มีสติควบคุมมันก็ปรุงความคิดนึกต่อไป คือมีความยินดีเมื่อสัมผัสนั้นให้พอใจยินร้ายโกรธแค้นขัดเคืองเมื่อสัมผัสนั้นไม่เป็นที่น่าพอใจหรือเกิดพวงหลงไหลอ ย, อยู่อยากจะรู้แต่ก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างนี้เมื่อสัมผัสนั้นมันไม่แสดงว่าเป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจเมื่อเวทนานั้นไม่ชัดลงไปว่าเป็นที่พอใจหรือไม่เป็นที่พอใจ นี่มันเกิดโลภะโทสะโมหะขึ้นมาตรงนี้ถ้ารับเอาด้วยความพอใจก็เกิดโลภะรับเอาด้วยความไม่พอใจก็เกิดโทสะรับเอาด้วยความไม่แน่ใจว่าพอใจหรือไม่พอใจก็เกิดโมหะถ้าเกิดโลภะโทสะโมหะแล้วมันเกิดไฟเสียแล้วนั่นทีนี้มันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าตัณหา คืออยากต่อไปในกรณีที่เกิดโลภะคือเวทนาเป็นที่ถูกใจเกิดโลภะมันก็เกิดตัณหาสำหรับจะได้จะเอาจะมีไว้หรือจะหามาอีกหรือถ้าหากว่ามันเกิดโทสะคืออารมณ์นั้นไม่น่าพอใจเกิดโทสะมันก็เกิดความอยากคือตัณหาอยากจะฆ่าเสียอยากจะทาลายเสีย หรืออยากจะผลักไสออกไปเป็นอย่างน้อยตามแบบของโทษะเท่าที่มันไม่แน่ว่าอย่างไรมันก็วนเวียนอยู่ที่นั่นเป็นลักษณะของโมหะนี่มันเกิดโลภะโทษะโมหะอย่างนี้แล้วมันก็คือเกิดไฟเกิดไฟขึ้นในจิตใจถ้ามีสติเสียแต่ในขณะผัสสะแล้วมันไม่เกิดอย่างนี้มันกลายเป็นเกิดอีกทางหนึ่ง คือทางที่ให้รู้ว่ามี่อะไรนะควรทำอย่างไรนะนี่ควรทำหรือไม่ควรทาควรทำอย่างไรก็ทำไปตามที่ควรจะทำไม่มาัวยินดียินร้ายโกรธแค้นขัดเคืองอะไรอยู่มันก็เลยไม่เกิดไฟไม่เกิดทุกข์นี่เพราะอำนาจสติแท้ๆที่ป้องกันไว้ไม่ให้เกิดไฟขึ้นมาในเมื่อมีการกระทบทางผัสสะ เมื่อมีตันหาเป็นความอยากแล้วมันก็ปรุงต่อไปเป็นอุปาทานคือผู้อยากความรู้สึกอยากมันก็จะปรุงให้เกิดความรู้สึกว่ามีผู้อยากซึ่งเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นไม่ใช่ตัวตนอะไรพอมีผู้อยากแล้วมันก็ถึงที่สุดแล้วที่มันจะเป็นเรื่องสำหรับจะเป็นทุกข์ทรมานคือมันมีความรู้สึกหนักด้วยความมีตัวตนความมีของตน และเมื่อมีตัวตนแล้วมันก็มีอะไรเป็นของตนเมื่อเกิดตนขึ้นมาอย่างนี้แล้วเกิดตนในความรู้สึกไม่ใช่ตัวจริงอะไรเพียงแต่ในความรู้สึกว่าตัวตนมันเกิดตัวตนอย่างนั้นแล้วมันก็เอาอะไร อ, อะไรมาเป็นของตนทั้งภายนอกและภายในเช่นยึดถือเอาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นของตน มันก็หนักเท่าไรทุกเท่าไรร้อนเท่าไรที่นี่ภายนอกมันก็ยึดถือเอาทรัพย์สมบัติสิ่งของบุตรภรรยาสามีเป็นต้นว่าเป็นของตนมันก็หนักเท่าไรมันก็เลยหนักรอบด้านหนักทุกที่ทุกทางเพราะมีอุปทานยึดถือโดยความเป็นของตนในสิ่งทั้งปวงนี้คือทำผิดเมื่อผัสสะ ทำผิดเมื่อผัสสะแล้วความทุกข์มันก็เกิดอย่างนี้ถ้ามีสติเมื่อผัสสะคือได้ศึกษาฝึกฝนมาดีมีสติมีปัญญาแล้วก็มีสติมาทันเวลาที่มันมีอะไรมากระทบตามันก็เป็นการกระทบที่ฉลาดเป็นสัมผัสที่ฉลาดคือสัมผัสด้วยสติมันไม่หลงปล่อยให้กิเลสเกิดแต่มันกลับรู้ว่าควรทาอย่างไร แล้วมันก็ทำไปในทางที่ควรจะทำให้เกิดประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่เกิดโทษถ้าไม่มีสติมันก็ไปเกิดกิเลสแล้วมันก็เกิดโทษมันเป็นได้อย่างนี้ทั้งหทางคือทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจมีวิธีที่จะปรุงแต่งจนเกิดความทุกข์กันอย่างนี้ นี่เป็นวิทยาศาสตร์ของธรรมชาติเรื่องของความทุกข์แนวเรื่องของความทุกข์ตามหลักแห่งพุทธศาสนาเป็นหลักวิทยาศาสตร์ตามธรรมชาติในพระพุทธศาสนาว่ามีอยู่อย่างนี้ความสุขและความทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะทำผิดหรือทำถูกในขณะแห่งผัสสะมันไม่ได้เกิดมาจากผีสางเทวดาเคราะห์โชคดวงดาวอะไรที่ไหนพระองค์จึงตรัสว่า มันไม่ได้เกี่ยวกับผลกรรมแต่ชาติก่อนด้วยซ้าไปมันเกิดมาจากการกระทำผิดหรือกระทำถูกที่นี่และเดี๋ยวนี้คือผัษะนั่นเองนี่เราก็มีผัษะชนิดที่มีสติเราจึงต้องมีสติเพื่อจะได้ควบคุมผัษะคำว่าสตินั้นน่ะต้องประกอบด้วยปัญญาอยู่เสมอสติคือระลึกได้ระลึกก็คือ ระลึกวความจริงของความจริงว่าเป็นอย่างไรนั้นคือปัญญาสติคนเอาปัญญามาทันเวลาที่มีการกระทบทางอายตนะนี้มันก็รู้ว่าควรทำอย่างไรมันก็เลยทําไปในทางที่ไม่เกิดทุกข์ไม่เกิดความรักไม่เกิดความโกรธไม่เกิดความเกลียดไม่เกิดความกลัวไม่เกิดความอิจฉาริษยาไม่เกิดความหึงความหวง ไม่เกิดความอะไรอาวอนไม่เกิดอะไรต่างๆที่เป็นที่ตั้งแห่งความทนทุกข์ทรมานนี้เรียกว่ามีสติบวชอยู่ที่บ้านแต่มีสติอย่างนี้ลองคิดดูคำนวณดูบวชอยู่ที่บ้านโดยการมีสติอย่างนี้อยู่ที่บ้านมันดีกว่าที่บวชอยู่ที่วัดหลายๆองค์ที่ไม่ประสีประสาอะไรไม่รู้จักแม้แต่ว่าสติคืออะไรด้วยซ้าไป นี่ขอให้สนใจว่าที่บ้านก็บดได้บวทได้อย่างยิ่งถ้ามีสติสมบูรณ์ในลักษณะอย่างที่กล่าวมานี้เรามีหลักว่าในขณะที่สัมผัสสัมผัสหรือกระทบต้องมีสติเมื่ออะไรมากระทบจิต ท, ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายต้องมีสติสให้เป็นการสัมผัสสิ่งนั้นๆด้วยสติสก็เรียกว่า สัมผัสด้วยวิชาสัมผัสด้วยปัญญามีความลืมหูลืมตาไม่หลับหูหลับตามีการลืมหูลืมตาก็กระทําไปอย่างถูกต้องไม่ผิพดพลาดใดๆไม่อาจจะเกิดทุกได้นี่เรียกว่าเราสัมผัสโลกด้วยสติปัญญาอยู่ทุกวันทุกวันสัมผัสโลกคือสิ่งทั้งปวงที่มากระทบด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เกิดความทุกข์ บวชอยู่ที่บ้านเป็นนักบวชอยู่ที่บ้านทําได้อย่างนี้ก็คือปฏิบัติสูงสุด ต, ตามหลักพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนี่จําไว้ว่าถ้าว่าทำผิดเมื่อผัสสะคือเป็นสัมผัสด้วยความโง่ด้วยอวิชชาแล้วก็เกิดทุกข์ถ้าสัมผัสด้วยวิชารู้จริงตามที่เป็นจริงอย่างไรเรียกว่าเป็นสัมผัสด้วยวิชาแล้วก็ไม่เกิดทุกข์ ฉะนั้นอย่าได้มีการสัมผัสด้วยความโง่อย่าได้มีการกระทบหรือรับอารมณ์ใดๆด้วยความโง่แต่ให้รับหรือรู้สึกอารมณ์นั้นๆด้วยสติด้วยปัญญาและให้ฝึกฝนอยู่เป็นประจำเรื่องนี้พูดก็พูดได้และพูดง่ายแต่พอถึงคราวที่จะทำมันไม่ง่ายนักมันอาจจะพลั้งเผลอหรือทำไม่ได้ ต้องมีความทุกข์กันเสียก่อนตั้งหลายครั้งหลายหนแล้วจึงค่อยๆทำได้นี่มันจึงจะสำเร็จประโยชน์ค่อยๆทำได้ฉะนั้นจะต้องฝึกฝนอยู่ให้ดีที่สุดเหมือนที่เขาฝึกฝนอะไรๆที่เขาพอใจอย่างพวกที่เล่นกีฬาเล่นศินละปะหาเงินหาทองก็ฝึกเหลือประมาณเช่นว่าจะเตะตะกร้อลอดบ่วงได้อย่างนี้ต้องฝึกเหลือประมาณ นี่ก็เหมือนกันแหละเราก็ฝึกเหลือประมาณฝึกที่จะให้มีสติทุกครั้งที่มีผัสสะแล้วถ้ามาล้มเหลวเผลอไปก็ละอายละอายละอายแก่ตัวเองว่าไม่สมควรแก่เราเลยที่เป็นผู้ไม่มีสติขาดสติพลั้งเผลอจนเกิดความทุกข์เราไม่ได้เกิดมาเพื่อความทุกข์แล้วทำไมจึงกลายเป็นมาเกิดเพื่อความทุกข์อย่างนี้ ก็เสียใจอย่างยิ่งและอายอย่างยิ่งทุกๆคราวที่พลั้งพลาดเผลอไปจนเกิดความทุกข์ไม่เท่าไรมันก็จะไม่เผลอก็จะเผลอน้อยเข้าจนไม่เผลออุปมาสมมติเหมือนอย่างว่ามันเดินตกล่องตกล่องที่นอกชาญหรือตกล่องที่ไหนก็ตามมันเดินไม่ดีไม่ดูให้ดีแล้วมันตกล่อง เดินตกล่องนั้นมันทั้งเจ็บด้วยแล้มันทั้งนาละอายด้วยใครเห็นก็ละอายเขาถ้าคอยสังบอลอยู่ว่ามันเจ็บด้วยมันละอายด้วยก็จะระมัดระวังดีขึ้นเมื่อระวังดีขึ้นมันก็ไม่ตกล่องอีกต่อไปนี่แหละการที่จะมีสติอย่างดีที่สุดต่อสิ่งที่เรียกว่าผัสสะนั้นต้องตั้งใจอย่างนี้ ต้องอธิษฐานจิตอย่างดียิ่งที่จะไม่พลังเผลอและกลัวว่ามันเป็นทุกข์และละอายว่ามันเป็นสิ่งที่น่าละอายเดี๋ยวนี้เราไม่รู้สึกการเสียทั้งสองอย่างหรือทั้งทุกอย่างกลัวก็ไม่กลัวละอายก็ไม่ละอายมันก็เลยมีได้มากแล้วเป็นทุกข์อยู่ข้างในก็เพราะว่าไม่มีใครรู้แม้ว่าไม่มีใครรู้แต่มันเป็นทุกข์อยู่ข้างใน ก็ขอให้กลัวและให้ละอายอย่างยิ่งยิ่งกว่าที่มันมาข้างนอกจนคนอื่นเขารู้หรือเข้าหัวเรออาะเยอะนี่ผู้ที่มีธรรมะแล้วก็จะต้องมีความกลัวและความละอายอย่างยิ่งอยู่ประจำตัวมีฮีริมีอดตับปะในธรรมะที่เป็นภายในอย่างนี้แหละมีประโยชน์ดียิ่งกว่าที่เป็นภายนอกเป็นเรื่องภายนอก หมายความว่าที่ใครๆเขารู้เขาเห็นก็ยังไม่สำคัญเท่าที่ไม่มีใครรู้เห็นเรารู้เห็นของเราแต่คนเดียวนี่มันสำคัญมากมันเสียหายมากมันเป็นสิ่งที่จะยอมให้มีขึ้นมาไม่ได้นี่ควายสนใจมีสติเท่านั้นแหละมันก็รอดจากความทุกข์ในทุกกรณีมันไม่สร้างความทุกข์ขึ้นมาได้เป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้ ไม่ต้องไปโทษผีสางเทวดาซึ่งเป็นความโง่อย่างยิ่งเพิ่มขึ้นอีกเรื่องหนึ่งมันโง่จนปล่อยให้ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วนี่มันก็โง่หนึ่งแล้วทีนี้มันก็ไปโทษผีสางเทวดามันก็เป็นอีกโง่หนึ่งมันสองโง่สามโง่ซ้าเข้าไปแล้วมันก็น่าละอายสักเท่าไรขอให้คิดดูความสุขและความทุกข์เกิดขึ้นเพราะเราทาผิดหรือทาถูกเมื่อมีผัสสะ ที่เรียกว่าตามกฎอิทัพปัจจยตามีพระบาลีตรัสไว้ซึ่งควรจะนึกถึงด้วยเหมือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดมาจากพระเป็นเจ้าสุขทุกข์ไม่ได้เกิดมาจากกรรมเก่าและสุขทุกข์ก็ไม่ใช่ไม่มีเหตุสุขทุกข์มีเหตุเหตุนั้นก็คือทำผิดหรือทำถูกต่อกฎอิทับปัจจยตา ถ้าทำผิดต่อกฎอิทัปปัจจยตาก็เกิดทุกข์ถ้าทำไม่ผิดก็ไม่เกิดทุกข์ทำผิดต่อกฎอิทัปปัจจยตาก็ทำเมื่อมีอารมณ์มากระทบนั่นเองเมื่อมีผัสสะนั่นเองเป็นเวลาสำคัญที่สุดที่จะต้องประพฤติให้ถูกต่อกฎอิทัปปัจจยตาแล้วมันก็ไม่เกิดความทุกข์นี่ถ้าทำสติได้อย่างนี้แม้บวชอยู่ที่บ้าน ก็ดีกว่าบวชอยู่ที่วัดเป็นไหนไหนทีนี้อีกข้อต่อไปก็ว่ามีสมาธิกำหนดไว้ให้ดีๆนะข้อที่หนึ่งมีศรัทธาอย่างที่ว่ามาแล้วข้อที่สองมีวิริยะข้อที่สมีสตินี่ข้อที่สมีสมาธิสมาธิคืออะไร ท่านบัญญัติความหมายไว้ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดเป็นสมาธิใหญ่หลวงมหาศาลเลยว่าสมาธิคือเอกกัคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์เอกกัคตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์รู้สึกว่าบางคนฟังไม่ถูกก็งงไม่รู้ว่าอะไรก็บอกเสียเลยว่าเอกกัคตาจิต คือจิตที่มีความคิดเพียงสิ่งเดียวมุ่งเพียงสิ่งเดียวตั้งอยู่ในสิ่งเดียวเอกคคะแปลว่ามียอดยอดเดียวเอกกคตาจิตจิตที่มียอดยอดเดียวคือมันมุ่งอยู่ที่สิ่งสิ่งเดียวนี้เรียกว่าเอกกคตาจิตและมันมุ่งต่อพระนิพพานเท่านั้นไม่มุ่งต่ออันอื่นก็เรียกว่า มันมีนิพพานเป็นอารมณ์เอกคตาจิตที่มุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์นั่นแหละคือใจความของสิ่งที่เรียกว่าสมาธิมันจะทําสมาธิแบบไหนกี่แบบกี่สิบแบบทําไปเถอะต่างๆแปลกๆ ก, กันใจความของมันมันก็อยู่ที่ความมุ่งพระนิพพานเป็นอารมณ์ของจิตที่ตั้งไว้เป็นอารมณ์เดียวเป็นสิ่งเดียว จะพูดให้ง่ายที่สุดเดี๋ยวนี้ก็พูดว่าหวังพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลานั่นแหละเมื่อรู้จักพระนิพพานพอสมควรแล้วการที่หวังต่อพระนิพพานอยู่ตลอดเวลานั่นแหละคือเอกคคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ที่บ้านก็ทําได้เมื่อกําลังเป็นทุกข์อยู่แล้วก็ยิ่งชวนให้ทําเป็นทุกข์ด้วยเรื่องใดๆอยู่ก็มุ่งต่อพระนิพพานคือดับทุกข์เป็นอารมณ์ นี้โดยทั่วไปเราก็รู้ว่าเรามีชีวิตอยู่นี้เพื่อจะบรรลุนิพพานจิตจึงมุ่งจ้องจดจ่ออยู่แต่พระนิพพานเพียงสิ่งเดียวเป็นอารมณ์นี่คือความหมายของสมาธิทีนี้ที่เขาทําสมาธิอย่างนั้นสมาธิอย่างโน้นเป็นขั้นตอนหลายๆขั้นตอนน่ะมันแยกซอยให้ละเอียดแต่เมื่อรวมความหมดแล้วมันมุ่งต่อ น, นิพพานเป็นอารมณ์ เช่นว่าสติกำหนดลมหายใจอยู่ลมหายใจสั้นลมหายใจยาวลมหายใจออกลมหายใจเข้าก็ตามเถอทำจิตให้เป็นสมาธิด้วยการกำหนดอย่างนี้แต่มันมีนิพพานเป็นอารมณ์ที่หวังอยู่ข้างหน้าคือทำสมาธินี้เพื่อจะดับทุกข์สิ้นเชิงในปลายทางในจุดหมายปลายทางทำเป็นสมาธิขึ้นมาแล้วก็ทำเป็นวิปัสสนา เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกำหนัดก็หลุดพ้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ฉะนั้นความหมายนี้ดีที่สุดแล้วว่าสิ่งที่เรียกว่าสมาธินั้นคือเอกขาตาจิตที่มีนิพพานเป็นอารมณ์ขอใ ห, ให้เราทุกคนดารงจิตไวในลักษณะอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้คือ มีนิพพานเป็นที่หมายมีพระนิพพานเป็นจุดหมายจะต้องถึงที่นั่นให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยเร็วที่สุดเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนี่คือสมาธิที่มีประโยชน์สมาธิโดยความหมายที่แท้จริงที่มันมีประโยชน์คือความมุ่งต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ที่บ้านนั่นแหละทําอะไรก็ทําไปเถิดแต่ข้อใหญ่ใจความนั้นไม่ลืมไม่ลืมว่า เรามีพระนิพพานเป็นที่จุดหมายปลายทางทั้งหมดที่เราทำนี้มันจะรวมกันเข้าแล้วก็ไปสู่จุดหมายปลายทางคือนิพพานสมมุติว่าจะทำนามันก็หาข้าวให้ได้กินข้าวให้ได้กินข้าวแล้วก็มีชีวิตอยู่แล้วก็ทำพระนิพพานให้แจ้งแม้แต่ทําสวนก็ได้เงินมากินมาใช้ ก็เพื่อจะมีชีวิตอยู่เพื่อจะทำพระนิพพานให้แจ้งจะค้าขายหรืออาชีพอะไรอยู่ก็ตามต่อให้เป็นอาชีพถีบสามล้อเงื่อไหลท่วมตัวอยู่ทั้งวันทั้งวันมันก็สามารถจะมีเอกกัคคตาจิตที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ได้โดยมุ่งหวังอยู่ว่าเราจะเลี้ยงชีวิตให้รอดอยู่ได้เพื่อทำให้ปรากฏเฉพาะซึ่งภาวะที่ไม่มีความทุกข์เลยที่เรียกว่านิพพาน คือชีวิตที่เยือกเย็นชีวิตที่เยือกเย็นไม่มีความทุกข์เลยเรียกว่านิพานเราจะมีที่นั่นเป็นจุดหมายแม้ว่าจะทำงานอย่างต่ำล้างท่อถนนกวาดถนนถีบสามล้อแจวเรือจ้างก็ยังสามารถที่จะมุ่งพระนิพานเป็นอารมณ์ว่าจะต้องได้พบกันในโอกาสข้างหน้าที่นี้จะพูดให้สิ้นสุดเสียเลยว่า แม้เป็นคนขอทานนั่งขอทานอยู่ก็ยังทำได้เดี๋ยวนี้ยังต้องขอทานก็ขอทานให้ชีวิตมันรอดชีวิตมันรอดแล้วก็จะทำต่อไปปฏิบัติมีสติระวังสังวรเรื่อยไปแล้วก็จะมีนิพพานเป็นจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันนี่ไม่ใช่แต่เป็นชาวบ้านธรรมดาแหละให้เป็นขอทานอยู่มันก็ยังมีโอกาส ยังมีความหวังที่จะมีสมาธิสมาธิเรียกอย่างนี้แปลว่าเอกคตาจิตคือจิตดวงเดียวเดี่ยวโดดหนักแน่นมีพระนิพพานเป็นที่หมายฉะนั้นใครๆทุกคนที่เป็นคารวาสอยู่จงดํารงตนให้มีพระนิพพานเป็นที่หมายเป็นจุดหมายปลายทางก็จะเรียกว่ามีสมาธิเต็มตามความหมายของคาคานี้ มีสติเป็นเครื่องชักนำให้จิตมีสมาธิมีสติอย่างที่ว่ามาแล้วชักนำให้จิตมีสมาธิรู้สึกตัวอยู่เมื่อแรกระลึกได้แรกระลึกถึงความจริงความรู้อะไรได้นี่เรียกว่ามีสติครั้นระลึกได้แล้วรักษาความรู้นั้นไว้ให้อยู่ยาวไปก็เรียกว่าสัมปชัญญะ สติกับสัมปชัญญะนั้นมันเป็นคู่แฝดกันสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวคือรักษาความระลึกได้นั้นให้ยังคงอยู่เช่นสติระลึกถึงความถูกต้องอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแวบบขึ้นมาได้แล้วก็รักษาไว้นั่นก็คือสัมปชัญญะสติกับสัมปชัญญะก็ต้องทางานร่วมกันอย่างนี้ ฉะนั้นเราถ้ามีสติสัมปชัญญะแล้วจะไม่ทําอะไรผิดพลาดจะทําอะไรถูกต้องได้รับผลดีของสิ่งที่ต้องทําทีนี้ก็มีสมาธิก็หมายความว่าจิตมันมั่นคงตั้งมั่นขณะนั้นก็ไม่มีกิเลสรบกวนขณะนั้นจิตก็ว่องไวในการที่จะคิดจะนึกหรือจะทําหน้าที่ของจิตคําว่าทําสมาธิ ไม่ใช่หมายถึงไปนั่งหลับตาตัวแข็งทื่อเป็นท่อนไม้ไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นหมายความว่าทําทุกอย่างทุกทางกล่อมกล่าวจิตใจให้เป็นจิตที่มีจุดหมายเดียวอารมณ์เดียวที่เรียกว่าเอกคตาแล้วมันก็ปราศจากกิเลสแล้วมันก็เข้มแข็งมันก็เข้มแข็งเพราะมันรวมแสงรวมกําลังแล้วมันก็ไวต่อหน้าที่ของมันจิตมีหน้าที่คิด จิตที่เป็นสมาธิจะไวต่อการคิดจิตที่ไม่เป็นสมาธิมันงุ่มง่ามเคอะคะมันคิดไม่ได้หรือมันไม่ไวต่อการคิดสมาธินั้นหมายความว่าจิตมีกำลังเข้มแข็งอยู่ที่จุดเดียวไม่มีกิเลสรบกวนแล้วก็ว่องไวในหน้าที่ที่จะคิดจะนึกจะคิดจะนึกจะทำจะตัดสินใจจะทำอะไรก็ตาม ถ้าทำด้วยสมาธิมันทำได้ดีทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิฉะนั้นคนที่มีหน้าที่จะต้องคิดจะต้องนึกจะต้องตัดสินใจจะต้องสั่งงานผู้อื่นอะไรก็ตามจะต้องทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิทีนี้ก็จะต้องฝึกให้เป็นสมาธิมีสติชักนวงดึงจิตให้ติดอยู่ที่อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งตามเวลาที่ต้องการจะทำอะไร ทำด้วยสมาธิเสมอไปคือว่าจะมีสมาธิจิตตั้งแต่ก่อนทาแล้วก็เมื่อกำลังทำและทำเสร็จแล้วด้วยตั้งแต่ก่อนทำก็ここมีสมาธิแนวเรื่องนั้นกำลังทำอยู่ก็มีสมาธิแนวเรื่องนั้นทำเสร็จแล้วก็มีสมาธิแนวเรื่องนั้นมันจะผิดได้อย่างไรลองคิดดูเถอะมันไม่มีทางที่จะผิดได้มันมีแต่จะถูกถึงที่สุด ทีนี้เราบวชอยู่ที่บ้านก็หาโอกาสที่จะฝึกสมาธิเวลาที่เอาไปใช้เหลวไหลเสียวันหนึ่งวันหนึ่งตั้งมากมายขอเปลี่ยนเอามาทาสมาธิและเมื่อกำลังทำการงานอยู่ก็ทำสมาธิได้โดยทำด้วยจิตที่เป็นสมาธิทำการงานอะไรอยู่ก็ตามถ้าว่าเป็นชาวนากำลังไถนาอยู่เดินตามหลังควายอยู่ ขอให้จิตมันอยู่ตรงที่ปลายไถที่ตัดดินเมื่อกำลังไถนาอยู่จิตอยู่ที่ปลายไถที่มันแหลมที่มันตัดดินอยู่ตรงนั้นเรื่อยไปมันก็เป็นการทำสมาธิตลอดเวลาที่ไถนาถ้าทำสวนเมื่อเอาจอบฟันดินลงไปกระทบดินยกขึ้นมานั้นก็มีสมาธิอยู่ที่จอบมันตักดินเอาที่บ้านที่เรือนกันก็ได้ งานอื่นๆนั่นมันมีค่าหรือว่ามันน่าดูแต่เดี๋ยวนี้เราเอางานชั้นต่ำสุดนะว่าถ้าเราจะต้องกวาดบ้านกวาดพื้นบ้านหรือกวาดลานบ้านเมื่อกำลังกวาดอยู่นั้นขอให้จิตมันกำหนดอยู่ที่ปลายไม้กวาดที่จดดินทำอย่างนั้นไม่ยากจิตอยู่ที่ปลายไม้กวาดที่จดดินอยู่เรื่อยๆไปกวาดเรื่อยไปจิตอยู่ตรงนั้นตลอดเวลานี่เป็นสมาธิชั้นดี หรือว่าเมื่อล้างจานล้างจานข้าวก็ขอให้จิตมันอยู่ตรงที่ปลายนิ้วที่มันถูจานเมื่อล้างจานตามธรรมดาสามัญคนทั่วไปก็ต้องเอามือถูจานให้ปลายนิ้วที่ถูจานแตะจานอยู่จิตกําหนดอยู่ที่ตรงนั้นจนกว่าจะล้างจานเสร็จก็เป็นการทําสมาธิที่ดีที่สุดเมื่อกําลังล้างจานทีนี้เมื่อล้างหม้อล้างกระทะก็เหมือนกันแหละ เมื่อเอาอะไรมาถูหม้อถูกกระทะอยู่เครื่องถูหม้อนั่นแหละเมื่อมันจดอยู่กับหม้อหรือจดอยู่กับกระทะมีจิตอยู่ที่ตรงนั้นสิคุณก็เป็นผู้มีสมาธิเหมือนกับนั่งทำสมาธิอยู่ในป่าแหละแต่ว่าเดี๋ยวนี้ทำสมาธิที่บ้านท้าว่าจะผ่าฟืนผ่าฟืนสมาธิอยู่ที่คมขวานเมื่อไม้ฟืนมันกระทบนั่นแหละ หรือเมื่อขวานกระทบไม้ฟืนหรือเมื่อไม้ฟืนกระทบขวานแล้วแต่จะผ่ากันท่าไหนแต่ที่ตรงคมขวานที่ชำแรกไม้ออกนั้นจิตอยู่ที่ตรงนั้นทีนี้ถ้าว่าขับรถยนต์ผู้สำหรับคนขับรถยนต์ให้จิตอยู่กับล้อรถที่แตะพื้นดินจิตอยู่กับล้อรถที่แตะพื้นดินเมื่อกําลังขับรถยนต์นั่นแหละจะเป็นสมาธิอย่างเลิศ ทีนี้ถ้าว่าเป็นหมอนวดให้จิตอยู่ตรงปลายนิ้วที่กดลงไปนั่นปลายนิ้วที่มันกดลงไปลึกนั่นจิตอยู่ที่ปลายนิ้วที่กดลงไปลึกนั่นแหละถ้าเป็นหมอนวดนี่มันก็ทำสมาธิตลอดเวลาที่ทำการนวดนี่เรียกว่ามันทำได้ทุกอย่างทุกเรื่องของการงานที่มนุษย์จะต้องทำทีนี้ก็ทำทุกอิริยาบดยืนเดินนั่งนอน เมื่อยืนเท้าแตะพื้นตรงไหนกำหนดตรงนั้นเมื่อเดินก็เหมือนกันมันจดลงไปแล้วมันยกขึ้นมาจิตอยู่ที่นั่นเมื่อนั่งก็นั่งถูกที่พื้นโดยไม่ได้กำหนดอะไรอื่นกำหนดที่ก้นมันแตะพื้นนั่นแหละมันก็เป็นสมาธิแต่เขามีอย่างอื่นหลายวิธีเช่นกำหนดลมหายใจกำหนดพุทโธอะไรก็ได้แต่ที่แท้จริงแล้ว มันอยู่ที่สิ่งที่มันเป็นธรรมดาเป็นเจ้าของเรื่องทีนี้จะพูดลงไปต่ําให้ถึงที่สุดอย่าหาว่าหยาบคายว่าเมื่อถ่ายอุจจาระปัสสาวะก็มีจิตเป็นสมาธิแน่วแน่อยู่ที่ก้อนอุจจาระมันออกมาอย่างถูกต้องถ่ายปัสสาวะก็เหมือนกันจะถ่ายด้วยสติด้วยสมาธิอย่าทําอย่างโรกโ้กเหมือนกับที่เขาทํากัน ถ่ายอุจาระปัสสาวะอย่างลูกๆลกล้กลางก้นอย่างลกลกๆกเดี๋ยวนี้เมื่อล้างก้นนะ่ะมีสมาธิที่ปลายนิ้วที่ถูก้นมันก็เป็นสมาธิที่สมบูรณ์เหมือนกันนีเรื่องบวชอยู่ที่บ้านเห็นไหมเล่าพูดเรื่องบวชอยู่ที่บ้านบวชแต่อยู่ที่บ้านมีโอกาสที่จะทำประพฤติธรรมในเรื่องศีลสมาธิปัญญาได้อย่างมากมาย มีสติประกอบกันอยู่กับสมาธิในทุกๆอิริยาบถ ท, ทุกๆ ก, การงานนับตั้งแต่ว่าไถนาสมาธิจิตอยู่ที่ปลายไถที่ตัดดินถ้าภายเรือจิตอยู่ที่ปลายภายที่มันแตะน้ำแจวเรือก็เหมือนกันอยู่ที่แจวมันตัดน้ำนี้จะเป็นสมาธิจริงสมาธิที่จะเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างอื่นได้ทุกๆความหมายทุกๆชนิด อ้าทีนี้ข้อสุดท้ายว่ามีปัญญาข้อ1มีศรัทธาข้อสองมีวิริยะข้อสามีมสติข้อสมีสมาธิข้อ5มีปัญญาปัญญาแปลว่าความรู้คือรู้สิ่งที่ควรรู้รู้ความจริงที่ควรรู้ความจริงที่ดับทุกข์ได้นั้นเป็นความจริงที่ควรรู้ คอให้รู้ความจริงนั้นอยู่ตลอดเวลาอยู่ตลอดเวลาด้วยสติสติประลึกเอามาแล้วสัมปชัญญะกำหนดเอาไว้แล้วก็อยู่อย่างเป็นความรู้รอบเป็นปัญญาอยู่ตลอดเวลาอย่าให้เกิดการปรุงแต่งในจิตจนเกิดความคิดชนิดตัวกูของกูนี่คำพูดมันค่อนข้างจะหยาบคายแต่มันจะเป็นว่าความคิดชนิดที่มีความหมายเป็นตัวกู หรือเป็นของกูนั้นเป็นความคิดผิดพร้อมที่จะทำให้เกิดความทุกข์อย่างยิ่งมันเป็นความคิดที่ผิดเป็นความรู้ที่ผิดเรียกว่าเป็นความผิดนั่นแหละนี้ปัญญาต้องรอบรู้รู้ที่ถูกมันรู้ทุกอย่างที่ควรจะรู้รู้ได้ทุกอย่างที่ควรจะรู้แต่อย่าไปรู้ชนิดที่ว่าเป็นตัวกูเป็นของกูเป็นตัวตนเป็นของตน นี่มันก็เป็นของละเอียดประณีลึกซึ้งอยู่มากคือมันจะต้องรู้จักทำความละเอียดประณีในทางจิตความคิดมันปรุงแต่งกันได้อย่างที่ว่ามาแล้วในเรื่องของผัสสะเราอย่าให้ความคิดหรือความรู้เกิดขึ้นมีความหมายเป็นตัวกูเป็นของกูทำงานด้วยความรู้อยู่ว่าควรจะทำอย่างไรฟังให้ดีดว่าถ้าทางานทางานอยู่ที่ออฟฟิศ หรือที่ไหนก็ตามจงทำด้วยสติปัญญาที่รู้ว่าควรทำอย่างไรแล้วระวังอย่าให้ความคิดประเภทตัวกูของกูทำเพื่อกูกูจะได้กูจะอะไรอย่าให้เกิดขึ้นมาอย่าให้ความอยากจะได้ผลงานเร็วๆ เ, เกิดขึ้นมาอย่าให้ความหวังจะได้ผลงานเร็วๆ เ, เกิดขึ้นมานั่นเป็นของผิดทั้งนั้นอันตรายทั้งนั้น มีแต่ความรู้ที่ถูกต้องว่าทำอย่างไรทำอย่างไรที่ทำถูกต้องนั้นทำอย่างไรแล้วก็สนใจทำแต่อย่างนั้นนี้แหละเรียกว่าทำงานอยู่ด้วยปัญญาอย่างยิ่งไม่เกิดความผิดพลาดไม่เกิดความหวังไม่เกิดกิเลสตัณหาซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ฉะนั้นเรามีความรู้ที่ถูกต้องเรื่องอิทัิปัจจยตาว่า มันเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยของมันและว่าตตาตามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มีความรู้เรื่องอิทปัปปจจยตาตตาตาเต็มที่เราก็ทำงานอยู่ส่วนความหวังความอยากว่าจะได้ผลเอาผลมากินมาใช้กันให้สนุกสนานเอาเรจอร่อยนั้นอย่าต้องมีเลย ถ้ามีมันเป็นความคิดหรือความรู้สึกประเภทตัวกูของกูมันจะต้องเป็นทุกข์ข้อนี้ก็ในพระบาลีให้ตัวอย่างไว้อย่างดีที่สุดที่เอามาเล่าไปบ่อยว่าแม่ไก่ฟักไข่ให้ดีก็แล้วกันไม่ต้องคิดว่าลูกไก่จงออกมานี่แม่ไก่นะ่ะฟักไข่ให้ถูกต้องตามวิธีของธรรมชาติจะเคียร์จะกบจะกลับ จะทำให้อุ่นให้เย็นอะไรก็แล้วแต่ให้มันถูกต้องตามวิธีของการฟักไข่แล้วลูกไก่ก็จะออกมาเองโดยที่แม่ไก่ไม่ต้องหวังว่าลูกไก่จงออกมาลูกไก่จงออกมาถ้าแม่ไก่ตัวไหนมันหวังว่าลูกไก่จงออกมาบนว่าลูกไก่จงออกมามันเป็นแม่ไก่บ้ามันใช้ไม่ได้คนนี้ก็เหมือนกันแหละ จงทำงานให้ถูกต้องด้วยสติปัญญาเกี่ยวกับการกระทำนั้นโดยไม่ต้องมีความคิดหวังเป็นตัวกูของกูว่าออกมาจงออกมาจงได้มาจงได้กำไรจงอย่างนั้นจงอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องตัวกูของกูอย่างนั้นมันทำให้เป็นทุกข์เปลาเล่าแล้วมันก็ไม่ได้ด้วยแล้วมันจะทำให้งานเสียก็ได้ เดี๋ y วนี้เราสอนกันผิดผิดอยู่บ้างอย่างที่ว่าให้ใช้ความหวังมากเกินไปที่จริงถ้าความหวังมากเกินไปแทรกแสงเข้ามาในขณะทำงานแล้วมันฟุ้งซ่านทำไม่ได้ดีมันทำไม่ได้ถูกต้องอย่างดีมันต้องให้เหลือไว้มีแต่สติปัญญาว่าจะทำอย่างไรเท่านั้นให้มีมากที่สุดให้ทำอย่างดี ส่วนที่จะวังผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่าให้มันเกิดขึ้นมาในความคิดมันมาทำให้ฟุ้งซ่านให้มีสมาธิแน่วแน่อยู่แต่ว่าทำอย่างไรเรื่องนี้ทำอย่างไรนั่นแหละเรียกว่ามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญามีจิตว่างจากความคิดนึกรู้สึกว่าตัวตนหรือของตนว่างจากความรู้สึกคิดนึกว่าตัวกูของกูแล้วก็เป็นจิตว่าง จะคิดอย่างไรก็ได้จะคิดเรื่องจะทำให้ดีให้น่นอย่างไรก็ได้แต่อย่าให้มันแลบเลยไปถึงว่าเพื่อตัวกูหรือของกูกูจะเอากูจะได้พอความคิดเกิดขึ้นอย่างนั้นมันจะมืดมันจะกลุ้มมันจะร้อนมันจะเป็นทุกข์นี่เรียกว่าเคลดหรือศิละปะในการที่จะทำงานให้ดีที่สุดโดยเฉพาะสำหรับพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้ เราจะบวชอยู่ที่บ้านขอให้มีการกระทํางานการด้วยปัญญามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาให้ได้ผลดีที่สุดของการที่เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์เกิดมาแล้วจะต้องได้อะไรดีที่สุดก็ให้มันได้อย่างนั้นแหละแล้วมันก็จะได้ด้วยการกระทําด้วยปัญญาอย่าทำด้วยกิเลสตัณหาหวังว่าจะได้อย่างนั้นหวังว่าจะได้อย่างนี้แก่ตัวกูแก่ของกู นั้นไม่ต้องไปหวังดอกเมื่อทําถูกต้องตามกฎของธรรมชาติแล้วมันก็ต้องออกผลมาเองไปหวังให้มันฟุ้งซ่านหรือจะเปรียบด้วยตัวอย่างอีกทีหนึ่งว่าไปซื้อลอตเตอรี่มาแล้วอย่ามาหวังให้มันรบกวนจิตใจเป็นโรคประสาทซื้อแล้วก็แล้วไปถึงเวลามันออกก็ไปตรวจ ด, ดูมันถูกหรือไม่ถูกแต่บางคนเขาไม่ชอบอย่างนั้น เขาชอบซื้อเอามาทำให้มันบ้าให้มันหวังให้มันนอนหวังนั่งหวังแล้วในที่สุดมันก็จะเป็นโรคประสาทได้จริงเหมือนกันแหละเราจงทำงานหรือมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาอย่าประมาทปัญญาพอกพูนปัญญาคือความรู้สึกคิดนึกที่ถูกต้องอยู่ตลอดเวลาเมื่อจะทำงานก็มีปัญญาในงานที่จะทา เมื่อทำงานอยู่ก็มีปัญญาในงานที่กำลังทำเมื่อทำงานเสร็จได้ผลงานก็มีปัญญาอยู่ในการได้ผลงานอย่าให้ได้ผลงานด้วยกิเลสตัณหาแต่ได้ด้วยสติปัญญาอ๋อมันอย่างนี้เองนี่ทำอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้เองไม่ต้องไปหลงไหลมัวเมาให้มันสูญเสียสติสัมปชัญญะหรือจะเก็บผลงานไว้กินไว้ใช้ รักษาไว้ก็ด้วยสติปัญญาเก็บไว้ด้วยสติปัญญาอย่าให้มันทรมานใจเมื่อจะเอาผลงานมากินมาใช้ก็ทำด้วยสติปัญญาอย่าให้มันผิดพลาดเมื่อจะแบ่งปันให้แก่ผู้อื่นบ้างทาบุญทำทานก็ทำด้วยสติปัญญาแปลว่าเป็นคาราวาที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาทั้งก่อนแต่ทำงานกาลังทางาน ได้ผลงานเก็บผลงานใช้ผลงานกินผลงานแบ่งปันผลงานเอาะไรก็ทำด้วยปัญญาไม่มีกระหืดกระหอบด้วยกิเลสตัณหาบวชอยู่ที่บ้านทำได้จริงก็มีผลดีเท่าที่ควรได้นี่จะบวชอยู่ที่บ้านและจะเป็นพระอรหันต์อยู่ที่บ้านพอเป็นพระอรหันต์แล้วมันก็เลิกหมดไม่ต้องบวชต้องอะไรดอก เมื่อเป็นพระอาหารหันต์แล้วมันเลิกบวชเลิกความหมายของคำว่าบวชหรือประพฤติพรหมจรรย์ไม่ต้องมีแล้วแต่เดี๋ยวนี้ยังไม่เป็นพระอาหารหันต์ก็ขอให้เป็นผู้บวช ด, ด้วยจิตใจทั้งหมดทั้งสิ้นอยู่ที่บ้านโดยเฉพาะผู้หญิงไม่ต้องสนใจว่าผู้หญิงบวชไม่ได้แต่เราบวชอยู่ที่บ้านได้อย่างนี้แล้วเหมือนกันหรืออย่างเดียวกันหรือเท่ากัน แม้ไม่มีโอกาสไปบวชกับเขาบ้างเขาบวชกันเกลเอหมดบวช9วัน10วันไม่รู้ว่าจะได้ผลอย่างไรขอยืนยันว่าบวชอย่างที่ว่านี้เถิดมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอยู่ที่บ้านบวชอยู่ที่บ้านบริบูรณ์อยู่ด้วยธรรมะหประการซึ่งทบทวนอีกทีหนึ่งก็ว่ามีศรัทธา เชื่อมั่นในสิ่งที่ตนถือเอาเป็นที่พึ่งคือการปฏิบัติหรือคําสอนนั่นแล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองทำได้เราทำได้ไม่เหลือวิสัยเราทำได้เราก็ปล่อยให้ทำไปด้วยศรัทธาพร้อมกันนั้นก็มีวิริยะคือความกล้าหาญความภาคเพียรความบักบันสนุกสนานในการทำพอใจในการทำเป็นสุขเสียเมื่อกาลังทา ไม่ต้องรอตอบผลงานที่ได้มากำลังทำอยู่มันก็พอใจและเป็นสุขอิ่มอยู่ด้วยความสุขได้ความสุขโดยไม่ต้องเสียเงินทีนี้ก็มีสติเฝ้าระวังรักษาป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดขึ้นในความคิดความนึกหรือในการกระทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผัสสะทางตาทางหูทางจมูก ทางลิ้นทางกายและทางใจเองมีสมาธิคือจิตแน่วแน่ต่อพระนิพพานเป็นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาทุกลมหายใจเข้าออกมีจุดมุ่งมั่นต่อพระนิพพานเรียกว่ามีเอกะขะตาจิตมุ่งพระนิพพานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทําทุกอย่างที่รักษาจิตชนิดนั้นไว้ก็คือแบบสมาธิวิธีต่างๆ มันจะต่างกันอย่างไรมันก็อยู่ที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ทั้งนั้นคือมีความหลุดพ้นจากความทุกข์เป็นอารมณ์ด้วยกันทั้งนั้นและในที่สุดก็มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาคือความรู้อย่างถูกต้องชัดเจนในสิ่งที่ต้องกระทําหรือควรกระทําอย่าให้ความอยากเช่นกิเลสตัณหาเพื่อตัวกูของกูเข้ามาแทรกแซง นั้นมันจะทำให้เสียหมดนี่เรียกว่าทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างแหละทำงานทุกชนิดด้วยจิตว่างยกผลงานให้ความว่างทุกอย่างสิ้นกินอาหารของความว่างอย่างพระกินตายเสร็จสิ้นแล้วในตัวแต่หัวทีตั้งแต่ต้นเรื่องจนจบเรื่องไม่มีตัวกูไม่มีของกู มันไม่มีความทุกข์ไม่มีปัญหาอะไรมีจิตที่บริสุทธิ์อยู่ด้วยปัญญาและความสุขสงบนี่คือบวชอยู่ที่บ้านใครเห็นด้วยก็ลองดูบวชอยู่ที่บ้านที่เชิงเหอหาบวชที่วัดบวชในป่า น, นั้นบางทีจะเป็นความโง่ลำบากมากกว่าคนที่บวชอยู่ที่บ้านก็ได้ระวังให้ดี ถ้ามีความตั้งใจจริงประมัดระวังจริงบวชอยู่ที่บ้านจะได้ผลมากกว่าบวชอยู่ที่วัดหรือในปา่าก็ยังเป็นไปได้เพราะว่าการบวชอยู่ที่วัดหรือในปา่ามันยังเหลวไหลยอยู่ทั่วๆไปมันยังไม่สาเร็จประโยชน์เต็มตามความหมายที่ควรจะได้เลยเอาละเป็นอันว่าวันนี้เราพูดกันด้วยเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกโดยใช้ชื่อว่า ปวดอยู่ที่บ้านเว้นจากสิ่งที่ควรเว้นโดยประการทั้งปวงอยู่ที่บ้านแล้วก็ประพฤติหน้าที่ที่ควรประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างดีที่สุดอย่างเต็มกำลังเต็มสติปัญญาสามารถอย่างดีที่สุดในหน้าที่ของตนของตนแล้วก็เป็นสุขอยู่กับการทำหน้าที่ไม่มีกิเลสตัณหาที่จะหวังผลอย่างนั้นอย่างนี้มาสนองกิเลสเรื่องก็มีเท่านี้ว่าปวดอยู่ที่บ้าน ไม่ได้หมายความว่าให้ศึกไปอยู่ที่บ้านกันเสียให้หมดแต่หมายความว่าแม้อยู่ที่บ้านก็อย่าน้อยใจอย่าเสียใจแม้อยู่ที่บ้านก็สามารถที่จะทำได้ดีที่สุดที่บ้านนั่นเองเพราะคนที่อยู่บ้านมันยังมีมากกว่าคนที่อยู่ที่วัดคนเหล่านั้นไม่ควรจะเสียประโยชน์อะไรควรจะได้ประโยชน์ทุกอย่างทุกประการเท่าที่พุทธบริษัทในพุทธศาสนาจะพึงได้ ขอให้ผู้ที่อยู่บ้านหรื อ, อยังอยู่ที่บ้านนั้นจัดแจงปรับปรุงให้ชีวิตการเป็นอยู่ของตนนั้นอนุรรมเข้ากันกับการบวชโดยสมาทานสิกขาบทคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทําให้ประการ น, นี้แทรกอยู่ในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นสุดท้ายถ้าปฏิบัติกรรมฐานอยู่อย่างเคร่งครัดในป่า ในวัดในดงก็ตามเขาก็ระวังให้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาในการปฏิบัตินั้นเป็นไปอย่างเต็มที่และผลก็แน่นอนสำเร็จตามความปรารถนาการบรรยายในวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่แปลกออกไปก็ควรจะได้พิจารณาดูจะได้ใช้เวลาที่บ้านให้เป็นประโยชน์มากที่สุด แม้จะต้องยังอยู่ที่บ้านก็ไม่เสียเปรียบเสียหายไม่เสียเปรียบแก่ผู้ที่จะทิ้งบ้านออกไปได้โดยหน้าอัศจรรย์พูดง่ายๆว่าถ้าทำได้นะถ้าทำได้บวชอยู่ที่บ้านน่าอัศจรรย์กว่าบวชอยู่ที่วัดจึงขอยุติการบรรยายนี้ด้วยความสมควรแก่เวลาและขอส่งเสริมกาลังใจของท่านทั้งหลายให้เข้มแข็งในการประพฤติปฏิบัติธรรมะ สืบต่อไปในบัดนี้